บันทึกที่สการปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของพหูชนตัวอย่างข้อความในพระบาลีที่แสดงถึงหลักการปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของพหูชนและเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกนอกจากที่อ้างในตัวบทข้างต้นแล้วยังมีอีกมากมายหลายแห่งขอยกมาอ้างเพิ่มเติมอีกเช่นการส่งพระสาวก อ, อประกาศพระศาสนาก็เพื่อวัตถุประสงค์นี้พระสุคตและสุขตาวินัยหรือสุคตวินัยดำรงอยู่ในโลกก็เพื่อประโยชน์นี้การที่ทรงแนะนำให้เล่าเรียนและปฏิบัติธรรมหรือให้สังขารณาธรรมก็เพื่อให้พระมรรจันหรือหลักพระศาสนาดำรงอยู่ยั่งยืนนานจะได้เกิดประโยชน์สุขแก่พื่หูชนเอื้ออนุเคราะห์แก่ชาวโลก และอีกหลายแห่งตรัสย้ำเรื่องความสามัคคีของสงฆ์ตรัสเตือนให้ระวังมิให้เกิดสังฆเภทการวิวาทการสั่งสอนธรรมวินัยผิดพลาดและความเป็นผู้นำที่มีความเห็นผิดเป็นต้นก็เพราะคำหนึ่งถึงประโยชน์สุขของพระหูชนความหมายและหลักการสำคัญของการปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของชนจำนวนมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก ก็คือการประดิษฐานพระหูชนไว้ในอริยะญายะธรรมอันได้แก่ความมีการยาณะธรรมความมีกุศลธรรมในฐานะเป็นพระคุณของพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นคุณสมบัติของมหาบุรุษและพึงดูประกอบที่อังคุตรานิกายปัญจการนิบาศซึ่งกล่าวถึงคุณสมบัติของภิกษุเทระที่ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของพระหูชน คุณสมบัติข้อสำคัญคือยังพะหูชนให้ออกไปจากอสัตธรรมแล้วประดิษฐานพะหูชนไว้ในสัตธรรม